ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องหมดตัวหมดใจให้จริงโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่28มิถุนายน2547ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ก็ลองฟังพระสูตรนี้ดูแล้วกันพระพุทธเจ้าท่านมีตรัสถึงกินหาท้าสูตรนะข้อที่ร3อสาสประไตยปิฎกเล่มที่ส5บหจริงๆก็ฟังดูก็ง่ายๆนะเข้าใจง่ายๆแต่ธรรมารจะพูดโดยอะไรอะ่ะโดยรายละเอียดที่ถ้าเราเข้าใจ มากกว่านีนะ้น่าจะได้ประโยชน์มากกว่านี้ซึ่งบางทีบางคนก็คงจะได้ยินคำนี้มาอยู่บ่อยๆพุะเจาท่านตรัสว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กําลังให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีบโคมไฟชื่อว่าให้ดวงตา ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งส่วนสู้พร่ำสอส่วนผู้พร่ำสอนทำรรชื่อว่าให้ความพ้นทุกข์ให้ความดับกิเลสไหนใครเคยได้ยินมาแล้วบ้างประสูตยเนี้ยโอจะยินแววแววจริงๆอันนี้นี่ก็มีผู้เอามาพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆนะ แต่วันนี้จะพูดโดยลึกซึ้งให้ฟังคือคือถ้าถ้าเราไม่คิดอะไรมากเราฟังธรรมะเนี่ยเราไม่คิดอะไรมากเราก็ได้เท่านั้นะ่ะได้เ ท, ท่าที่เราเขาเรียกว่าอะไรฟังแล้วก็เข้าหูอ่าแต่ว่ามันไม่ได้เข้าใบ ใ, ใจได้อย่างลึกซึ้งน่าจะได้แค่ฟังซึ่งซึ่ ง, งบางทีเนี่ยถ้าเราไม่เอามาพิจารณาจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย แต่ได้ได้เป็นความรู้เท่านั้นแต่ไม่ได้เกิดเป็นประโยชน์อย่างอื่นคือได้เป็นความรู้ว่าวันหลังคนถามอะไรมาเราก็าไปตอบเขาได้นะแต่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้เอาไปใช้แบบว่าเวลากิเลสมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาไปใช้สู้กับกิเลสไม่ได้เพราะมันเป็นเพียงแค่ความรู้เท่านั้นเองที่เราฟังหรือว่าเราจําเอาไว้ ก็ยังดีนะบางคนจำได้อะยิ่งบางคนจำไม่ได้ด้วยฟังจริงๆคือฟังแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือฟังแบบอะไรลมผ่านหูไปก็ได้ยินเสียงแต่มันมันมันเข้าแต่หูไงแต่มันไม่เข้าไปในใจอย่างเงี้ยยิ่งยิ่ ง, ย, งยิ่งแค่เป็นความรู้เลยรู้รู้แค่ได้ฟังพอนพอพอแบบว่าพอเลิกเลิกฟังไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ย ตอนมาฟังนั่งฟังอยู่เยังจําได้อยู่แต่พอเลิกฟังไปนะลืมหมดแล้วอย่างแย่ยิ่ ง, ย, งยิ่งได้แต่รู้แบบเลือนลางเลยเอาจากจากพระสูตรนี้นะบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กําลังจริงๆถ้าเป็นรายละเอียดเนี่ยเรื่องของอาหารเอาใครจําได้เดี๋ยวนี้ถามความจําใครจําได้อาหารสี่มีอะไรบ้าง ผู้ใจท่านตรัสถึงอาหารเนี่ยอาหารสีไม่หนึกะวะลิงกะอาะะหารคืออะไรเอาเอวสั า, า, าไทยออ่ เ, อเอคือคําข้าวเนี่ยใครให้อาหารเนี่ยคือเนี่ยให้เราได้กินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นข้าวเท่านั้นนะจะเป็นข น, นมน ม, นมเนยเป็นผ ล, ลไม้เป็นอะไรที่ที่ที่ให้เราอาศัยดื่มอาศัยกินเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ากะลิงเวลาอาหาร นะ เ, ปเป็นคำข้าวภาษาที่เขาแปลเขาก็แปลว่าเป็นคำข้าวนั่นนี่นี่อาหารอย่างแรกแล้วเพราะฉนั้นเนี่ยใครที่ที่ที่ให้เราก่อนเลยใครอะนะโดยเฉพาะแม่ให้ก่อนเลยแล้วลคนอื่นๆก็เอาให้ตามมาเพราะฉนั้นผู้ที่ให้ทั้งหลายเนี่บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กําลัง อย่างน้อยก็ให้อะไรให้กําลังอะไรกําลังอย่างน้อยก็กําลังที่จะมีชีวิตอยู่ได้ยืดยาวได้ต่อไปเพราะถ้าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่ได้กินอะไรก็เดสมอเลคือตายแน่ๆนะไม่รอดโดยเฉพาะแม่เนี่ยต้องให้อย่างแม่ให้นมลูกนีพ้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนกับโอ้โหเอาเอาเลือดในอกเนี่ยท่านเปรียบเหมือนกับเอาเลือดในอกนี่ให้ลูกกินเลยนะ เพราะนั้นคนที่เนี่ยฟังแล้วไม่คิดอะไรมากก็จะไม่ค่อยมีความกระตันยูกระเตเวทีต่อพ่อแม่แต่ถ้าใครฟังแล้วอันเนี้ยแค่แค่อย่างเดียวเองเนี่ยกวริงกลาหานเท่านั้นเองถ้าเราฟังแล้วเราเข้าใจเราเอาไปพิจารณาหรือเอาไปวิปัสนาวิปัสนาให้ให้ให้เห็นสัจจะให้เห็นความเป็นจริงโอ้โหอย่า ง, งน้อยๆ น, นี่จะเขารบ บูชายกย่องพ่อแม่จกนกระทั่งโน่นเลยบางคนเขาก็พูดเลยเถิดไปว่าพ่อแม่เป็นอหรหันของลูกไปเลยนน่นนะพูดไปไกลถึงรดาดับโน่นเลยอาจจริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีชีวิตอยู่ไม่มีกําลังให้เติบโตขึ้นมาได้แล้วคุณจะมาทําอะไรได้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยจะมาบรรุธงบรรุทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะอย่างน้อ ย, นอยเนี่ยแค่แค่ประการ แรกนี้เท่านั้นเองถ้าใครเนี่ยพิจารณาได้ก็จะเป็นคนที่มีความกตันยูกตเบียทีแล้วก็ขาอนี้จําเป็นแม้ต้องพ่อแม่เท่านั้นที่ให้อาหารเราไม่จาเป็นใช่ไหมบางทีบางคนเนี่ยเราไม่รู้จักด้วยซ้ําไปอย่างพวกอาตมาเดินไปบิณฑบาตเนี่ยยิ่งจาเล็กไปเนี่ยโอ้ไม่รู้จักเลยอาแต่เขามาใส่บาตรให้เนี่ยเขาก็ให้อาหารเขาก็เลี้ยงดูให้มีชีวิตอยู่ ยิ่งๆเป็นสมณะเนี่ยไม่ใช้เงินด้วยแล้วเอา้าแล้วก็ไปสีซัวขอใครก็ไม่ได้นะก็อาศัยเดินบินบาตเนี่ยแหละเดินไปเรื่อยๆเนี่ยแหละผู้ศรัทธาก็เอา้ามาใส่บาทให้หวพรไม่รู้จักเลยบางคนไม่คุ้นเคยพบกันครั้งแรกด้วยซ้ำไปเขาก็ใส่บาทให้ละอืมเนี่ยก็ถ้าจะเปรียบไปก็เหมือนกับเป็นพ่อแม่ได้ วันถ้าเป็นสมณะเนี่ยโอ้โหพ่อแม่เยอะเพราะทุกเช้าไปเดินบิณตบาทนี่คนใส่บาทให้เยอ ะ, ยอะแยะนะเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยผู้ที่มาเป็นนักบวชนะและอาศัยคําข้าวเนี่ยอาศัยการบินตาบาทเลี้ยงชีพนี่โอโ้จะเห็นความสําคัญของการบินตบาทมากๆจะไม่ซีซัวบินตบาทแล้วก็อะไรอะไม่เห็นเขาเรียกว่าไม่เห็นคุณค่าของอาหารที่เขา ให้มาจะไม่เลยเพราะรู้เลยว่าชีวิตจะอยู่ได้การมาถือศีลการมาปฏิบัติธรรมจนกว่าเราจะบรรลุได้เนี่ยก็ต้องมีผู้ที่มาให้อาหารแก เ, าเราวันอย่างน้อยๆเนี่ยนนนนนคนมาอยู่วัดก็ตามใช่ไหมมาอยู่วัดแล้วก็ต้องให้ความสําคัญวันอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกดีๆกับคนมาทําครัว เขาก็ะทำโค้ดให้กินอยู่ทุกวันหุงข้าวให้มัง่งทำกับข้าวทำแอนโนแอนี้ให้มัง่งเอา้าน่าจะเห็นความสําคัญของอันนี้นะโอ้โหถ้าอธิบายละเอียดแล้วเดี๋ยวมันจะไปอีกไกลเลยแต่อจะมาพูดแค่นี้ให้เราเห็นความสําคัญให้ได้ว่า น, นี่แค่กาวลิงกลาหารแต่จริงจริงแล้วยังมีอะไรอีกอันที่สองผัสสาหารอาหารคือผัสสะชีวิตคนเราจริงๆเนี่ยคุณจะเป็นแบบท่อนไม้ไหม เป็นแบบไอเนี่ยเสาต้นนี้ไหมคือคือไม่ต้องรับรู้อะไรอ่ะไม่ต้องรู้สึกอะไรไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องปรุงอะไรแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่อะไรนะไม่เป็นมนุษย์พืชไม่สติฟั่นเฟือนชนิดที่เรียกว่าไร้สติอ่ะไม่แบบว่าอยู่ในพบตัวเองไปเลยนะเออยังไงคุณก็ต้องมีผัสสะแม้แต่บางทีเราคิดเองเนี่ยปรุงของเราเองไอนีไอ น, ะไอนี่มันก็ยังเป็นผัสสะอย่างหนึ่งเลย แต่ถ้าให้ง่ายให้ชัดก็เนี่ยพูดคุยออกับใครนะเดินไปไหนเจอใครหน่อยภาษาทั้งนั้นอะ่ะบางทีเดินไปเจอหมาสักตัวหนึ่งมันเดินมาขวางทางมันเห่าใส่ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นภาษาแล้วที่เราเนี่ยจะ เ, เราจะทำยังไงอะ่ะเพราะอันนี้คืออาหารอย่างหนึ่งของชีวิตแต่นี่ความสำคัญอยู่ที่ว่าพอคุณเจออาหารแล้วเนี่ยสมมติเจอโอ้โหแกงอะไรนะ ใส่พริกมาเผ็ดเผดร้อนๆ้อนเลยหรือว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นยาพิษเป็นอาหารที่เป็นพิษอะ่ะคุณควรจะกินไหมอาหารแบบนี้อ้าวก็ต้องฉลาดต้องรู้สิพูดง่ายเขาโกรธเราเนี่ยเขาเกลียดเราเขาด่าเรานี่นี่คืออาหารเผ็ดเผ็ดร้อนๆอนนี่คืออาหารเผ็ดเผดร้อนๆ้อนนะเขาเอามาให้เรากินพระพุทธเจ้าท่านตาดัดไว้เลยวันเนี้เนี่ ย, นยคนเอาอาหารเผ็ดเผดร้อนร้เนี่ยมาให้เรากินเราจะกินไหม ยิ่งเป็นพิษเป็นภัยด้วยจะกินไหมแต่ส่วนใหญ่เห็นคนชอบกินเผ็เดๆนะเยอะเลยเห็นคนชอบกินเผ็เดๆนี่เยอะมากเลยแต่จริงๆแล้วเป็นการเปรียบคนเขาโกรธเราเขาเกลียดเราเขาด่าเราเนี่ยที่เรารับมากินก็คือเราก็โกรธตอบเราก็เกลียดเขาตอบเราก็ไม่ชอบใจแล้วเขาก็บางทีนะไม่กล้าด่าเขาคือไม่กล้าอ้าปากด่าเขา แต่ก็ดาอยู่ในใจดาเขาอยู่ในใจอา้าวอย่างนี้ก็ยังรับเอามากินนะแต่แอบกินเงียบๆก็เรียกว่าแอบกินเงียบๆแอบกินอยู่ในใจไม่ให้คนอื่นรู้แต่เราก็รู้อยู่ว่าเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเรายังกินอยู่นะอันนี้ผู้จ้าท่านตัดไว้เลยว่าจริงๆแล้วต้องไม่กินอาหารแบบนี้อาหารเป็นพิษเป็นภยัยไปกินทาไม คนเขาโกรธเราคนเขาเกลียดเราเขามาด่าเราเอาไปด่าตอบเขาทำไมอืมถ้าเรารู้สึกว่าเราจะทนไม่ไหว อ, อะไรอะ่ะเคลื่อนกายย้ายจุดก็ไปยืนให้เขาด่าอยู่ทำไมอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะถ้ารู้สึกว่าเดี๋ยวจะทนไม่ไหวแล้วเอาก็ไปที่อื่นสิก็ไม่ต้องไปฟังเขาด่าหรอกแล้วก็ไปหาที่อะไรนะที่สงบสงบพักจิตพักใจเวลามันจะขึ้นอะ่ะเพราะว่าถ้ามันขึ้นแล้วควันจะออกหัว <c oughs> นาควันมันจะลอยโอ้โหเพราะว่าหัวมันจะร้อนไปหมดเลยนะถ้าใครโกรธมากๆเนี่ยหัวมันจะร้อนไปหมดเลยจริงๆแล้วเท่ากับเอาไฟนระกเนี่ยมาเผาตัวเราเองร้อนการที่ใครมีความโกรธไม่ใช่แค่โกรธนะใครเป็นรักไม่ใช่แค่โกรธรักก็ได้เป็นรักมากๆร้อนลุ่มทั้งนั้นเลยนะรักมากๆก็ห่วงหาอะไรเอาวอนคิดถึงโอ้โหสุขที่ไหนไม่สุขหรอก ทุกทรมานเหมือนกันอันนั้นก็เป็นสายกามอันนี้ก็สายโทสะเพราะฉะนั้นร้อนลุ่มทั้งนั้นไฟสามกองราคะโทสะโมหะต้องรู้นะว่าไฟทั้งนั้นเลยพวกนี้เพราะฉะนั้นคนฉลาดอาหารแบบนี้ไม่กินอ่านเนี่ยนี่ผนี่าษาอาหารจะต้องฉลาดอ๋อไม่จำเป็นต้องเป็นแกงจืดก็ได้ <laughs> แกงมีรสชาติหน่อยก็ได้ แต่ต้องรู้ว่าเป็นรสชาติที่เรากินแล้วเออเป็นประโยชน์อ่าเป็นประโยชน์แล้วคำว่ารสชาตินี่ไม่ได้ไหมายความว่าต้องถูกใจเรานะบางทีเนี่ยเขาบอกอะไรหวานเป็นลมขมเป็นยานะบางอย่างเนี่ยกินไปแล้วโอโ้โหมันจะขมปากด้วยซ้ำไปแต่ขมนี่เขาบอกว่าถ้ากินพวกผักผลไม้ของขมนี่เขาบอกว่าให้อะไรให้ตัวไหน ให้วิตามินน่ะแน่นะให้ความเย็นไงพวกของขมเนี่ยพวกมะระพวกอะไรพวกนี้เนี่ยกินไปแล้วจะทำให้ใครร้อนในเนี่ยกินพวกนี้ไปแล้วจะช่วยทำให้ ห, หายร้อนในขึ้นนั่นแนหะเพราะฉะนั้นนีต้องฉลาดต้องรู้เลยนะเพราะนั้นไอ้ที่เราจะกินเนี่ยเราต้องรู้ว่าเอออาหารแบบนี้ควรกินตอนนี้กำลังร้อนในเออควรกินของขมขมหน่อยกินเข้าไปแล้วจะช่วยทำให้ ความร้อนในนี่มันลดลงได้ยังยี่ฉลาดส่วนถ้าใครอะ่ะโอ้โหอะไรอะ่ะหนาวหนาวอะ่ะจะเป็นอะไรเป็นวัดอา่าควรกินอะไรก็ต้องฉลายก็ต้องกินเออของร้อนๆหน่อยใช่ไหมออกินต้มยำเหรอ <laughs> กินเพื่อที่จะให้อะอให้มันแก้ อ่าอาละ น, น, นี่นี้เปรียบอาหารให้ฟังนะคราวนี้เปรียบเป็นสภาวะอารมณ์ให้ฟังถ้าโกรธใครเกลียดใครเขาตอนนี้ควรกินอาหารอะไร เ, เนี่ยโกรธเขาเฮ้เกลียดเขาอ่ะควรกินอะไรที่จะทําให้ดับไฟโทสะนี้ได้ออกตอ็ต้องกินอาหารแบบประเภทเมตตาใช่ไหมอาหารที่มันเย็นเย็นอาหารที่ อาหารที่บอกแล้วนะเปรียบกับกจิตของเร า, เาที่เราจะต้องรู้ว่าเอากินแบบนี้แล้วอ า, อาการร้อนในแบบนั้นจะหายเนี่ยเนี่ยต้องรู้แล้วถ้าไปลักไปหลงไปชอบไปติดใจใครเข้าๆเอาละสิคราวนี้จะต้องกินอาหารแบบไหนนะกินอาหารแบบไหนนะ <c oughs> ก็ต้องกินอาหารแบบโอ้โ oh หต้องเห็นทุกเห็นโทษภัยให้ได้ใช่ไห ม, มถึงจะคลายจิตไอ้ที่ตัวเองเนี่ยไปรักไปหลงเขาได้เนี่ยก็ต้องฉลาดต้องรู้นี่พูดมาแค่สองตัวเองนะใอ่านเนี่ยเอา น, นี่เป็นผัสสาหารที่จะต้องฉลาดรู้เพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องรู้เรื่องพวกนี้ถ้าไม่รู้เรื่องพวกนี้เราแย่เลยอ่าเอาตัวต่อไปอะไรมโนสรรเจตนาหารัร อันนี้อาหารคืออะไรอคือการตั้งจิตตั้งใจการอ่านจิตอ่านใจของตัวเองนักปฏิบัติธรรมทุกคนถ้าใครอ่านจิตอ่านใจตัวเองไม่เป็นเสร็จเลยอย่างเช่นโกรธขึ้นมาแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวเองโกรธคนเราเนี่ยที่ไม่รู้ว่าตัวเองโกรธเนี่ยคนอื่นตายมาเยอะแล้วอา้าวจริงๆรนะี่บางทีโกรธขึ้นมานะโอ้โหไปคว้ามีดคว้าปืนยิงเขาแทงเขาตายไปแล้วนะ กว่าจะรู้ตัวนี่นะเขาตายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยเนี่ยคือคือไม่ได้ฝึกในการจับจิตจับอารมณ์ตัวเองเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องรู้ตรงนี้ให้ได้มโนสันเจตนาหารจะต้องรู้จิตใจเรื่องนี้อาตมาเคยเทศยาวเลยนะเนี่ยแค่อาหารสีเนี่ยวันนี้พูดพูดแค่คร่าวๆให้พวกเรา เข้าใจสภาพของอาหารว่าจริงๆมันมีรายละเอียดโอ้โหเยอะแยะมากมายเพราะโดยเฉพาะจิตเนี่ยอืมมโนสันเจตหะเจตนาหาเนี่เพราะว่าจิตมันเป็นใหญ่จิตมันเป็นประธานเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราจะต้องจะต้องศึกษาให้มากๆยิ่งเรื่องจิตเรื่องใจรายละเอียดมันยิ่งเยอะมากนะโดยเฉพาะเอาคันนี้ ถ้าเป็นความตั้งใจเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าจะต้องตั้งใจให้มันดีเพราะคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวแล้วก็ไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นกว่าเดิมหนึ่งก็ไม่ค่อยฝึกอ่านจิตอ่านใจตัวเองสองก็คือบางทีพอจะอ่านรู้นะแต่ขี้เกียจขี้เกียจที่จะทำอย่างที่รู้รู้แล้วคนนี้เนี่ยคือไม่ควบคุมจิตใจไม่บังคับจิตใจ มักจะปล่อยไปตามกิเลสเราคำว่าปล่อยไปตามกิเลสเราคือกินอาหารตามใจเราไงอาหารที่เป็นไปตามใจเราเนี่ยเขาเรียกมโนสัญเจตนาหาันนะั้นมักจะทำไปตามอารมณ์เราโกรธใครเกลียดใครก็ก็โกรธไปเลยเกลียดไปเลยด่าไปเลยว่าเขาไปเลยไปรักใครไปชอบใครก็เอาไปคุยด้วยไปใกล้ชิดไปเข้าหาไปอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยทำไปตามอารมณ์ทําไปตามใจเนี่ยใจเป็นใหญ่เพราะตั ว, ต, วตัวอาหารตัวนี้โอ้สาคัญมากเลยแล้วก็เพราะอาหารตัวเนี้ยทาไปยังไงคือจิตเนี่ยทำไปดังยังไงแล้วมันจะมาเกิดเป็นตัวที่สี่อาหารตัวที่สี่ก็คือวิญญาณอาหารคือมันจะรวมมาเป็นความรู้ของเราแหละหรือถ้ามันเป็นกิเลสเนี่ยมันก็มารวมเป็นอุปทาน ซึ่งอุปทานตัวนี้มันจะทําให้เกิดตันหาต่อไปอีกก็จิตก็กทําตามใจตัวเองอีกนะแล้วก็ไปผัดสะอะไรเข้านะแล้วก็ไปกินอาหารที่เป็นไปอย่างตามชอบชอบอย่างนี้กินชอบทุเรียนกินทุเรียนเกียเวเสตาดไม่กินสตาไม่กินคือ ก, ก, ก็ไปตามที่ตัวเองชอบหรือว่าชังอะไรก็ไปอย่อยางเนี้ย แล้วไอ้วิญญาณอาหารเนี่ยก็คือมันจะรับรู้อย่างนี้เอาไว้จะรับรู้แต่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นคนนี้วิญญาณเนี่ยไม่เข้าสู่<ม>กระแสธรรมะสักทีมาอยู่วัดบางคนมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมบ่อยๆแต่วิญญาณเป็นผีก็ได้วิญญาณไม่เป็นพระสักทีเพราะวิญญาณคือเอาตัวมาเนี่ยนะแต่วิญญาณเนี่ยฟังเทศฟังธรรมแล้วพอเวลาไปใช้ในชีวิตก็ใช้อย่างเดิม เยอแย ะ, ยะไปคุณเห็นมไหมละ่ะคนที่เขาฟังเทศฟังธรรมแล้วแต่เวลาไปอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปที่ทํางานก็ทําอย่างที่เคยทำทำอะ่ะไอ้ที่ฟังเทศฟังธรรมมาไม่เคยเอาไปแตะไม่เคยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตเลยไอ้อย่างเนี้วิญญาณก็ยังถ้าเป็นปุถุชนก็เป็นปุถุชนอยู่อย่างเดิมวิญญาณไม่ได้ขึ้นมาเป็นกัลยาณชนหรือเป็นอริยชนเลยก็เป็นผีอยู่อย่างเดิมแก้จิตผีไม่ได้ เพราะะเปลี่ยนเนี่ยวิญญาณนี่มันเป็นตัวสําคัญเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวแบบอะไรอ่ะคนเราเนี่ยเวลาตายร่างกายก็ทิ้งเอาไว้ใช่ไหมเอาแต่วิญญาณไปเกิดอีกไปเกิดใหม่อีกไปไปหาร่างใหม่ไม่ใช่ไปเกิดใหม่วิญญาณเก่าแต่ไปหาร่างใหม่อยู่อีกเพราะฉะนั้นที่ที่เกิดแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยจริงๆก็วิญญาณคนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ไปหาร่างใหม่อยู่ เท่านั้นเองจะไปเป็นล่างเป็นคนหรือไปล่างเป็นสัตว์ไปเป็นไส้เดือนกิ้งกือหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ใครไปสะสมวิญญาณไว้เป็นยังไงวิญญาณเป็นบุญก็อ้าวก็ไปเป็นอะไรเขาเรียกไปเป็นเทวดาไปเป็นมนุษย์ภาษาเรียกเขาน ะ, ะทางธรรมะเอาแต่ถ้าสะสมวิญญาณ ไ, ไม่ดีก็คือคือไออารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างเนี่ย ไปเก็บข้อมูลเก็บอะไรที่สะสมเอาไว้เป็นวิญญาณเนี่ยนะสะสมแต่เร็วๆชั่วๆคิดอะไรก็คิดไม่ดีคิดอกุศลคิดแต่แง่ลบคิดแต่จะเบียดเบียนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยวิญญาณก็เป็นปีศาจวิญญาณปีศาจวันไปเกิดก็ไปเกิดไอ้ที่มันเร็วๆไล่ ๆ, ๆ, ๆเออไปเกิดเป็นคนก็ไปเกิดเป็นคนเร็วๆไล่ ๆ, ๆ, ๆ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ก้อยได้เป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเป็นสัตว์มากสัตว์ดิรฉานมากเนี่ยเพราะสัตว์ในโลกเนียทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยคนมีก็จึงเดียวนะกี่กี่ล้านนะทุกวันนี้กี่กี่ล้านนะคนทั้งโลกเนี่ยฮะหกหกเท่าไหร่นะจำได้แต่ห ก, หกแต่ไม่รู้หกกอะไรไม่รู้ 6 0พ0ล้านเหรอฮะประมาณหกพันล้านเอาแต่สัตว์ชนิดอื่นนะ่ะมากกว่าคนไหมโอ้โหสัตว์ทั้งปลาปูกุ้งหอยทั้งนกทั้งจระเข้ทั้งอะไรโอ้โหมากกว่าคนอีกเท่าไหร่นะคุณคิดดูนะนี่ฝากเป็นแง่คิดไว้เพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยผู้เจ้าทั้งถึงได้ตัดไว้เลยว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์ น้อยนักที่จะได้เกิดเป็นคนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเ น, น, นี่ยควรภูมิใจนะที่ได้เกิดเป็นคนเนี่ยแล้วมันน่าเสียใจถ้าเกิดเป็นคนแล้วไม่ทําดีให้ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าไม่ทําดีให้เพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวตายไปก็ไปเป็นสัตว์อีกก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราทําดีได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสะสมไปเนี่ยเราก็จะได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าทําไม่ดีเนี่ยก็ไปเป็นเนี่ยไปเป็นสัตว์นรกมั่ง อ้าหรือว่าไปเป็นสัตว์บนดินนี่บ้างอาหรือว่าไปเป็นเปรไปเป็นอสุรกายอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเพราะนนั้อันเนี้ยเนี่ยเนี่ยอาหารสนีะ่อันนี้นี่ขยายให้ฟังว่าเนี่ยบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กําลังเพราะฉนั้นคุณจะเห็นเลยใครให้อาหารเราแบบไหนอ่ะมีบางคนเขาทําตลกตลกอะ่ะเขาเอาเดี๋ยวเนี้อา่า สุนัขเนี่ยนะเขามีอาหารสุนัขใช่ไหมแต่นี่เขาซื้อมาแล้วเขาเอามากินเองเ็าบอกอร่อยดีเออแหมคิดคิดซะอย่างงั้นนะ่ะนะใครกินอาหารสุนักมันก็อีกหน่อยก็เป็นสุนักใครกินอาหารอะไรมากก็จะเป็นอย่างนั้นมากคุณเข้าใจคํานี้ไหมคุณกินอาหารที่แบบว่า เร็วๆหลายๆอ่าหมายถึงว่าเนี่ยเราทําอะไรแต่เร็วๆร้ายๆเนี่ยคือเรากำลังกินแล้วถ้าใครกินแต่อาหารเร็วๆร้ายๆกินอาหารที่เป็นพิษอ้าวเดี๋ยวคุณก็เป็นมนุษย์พิษอ่ะคุณก็เป็นมนุษย์เร็วร้ายคุณก็มีแต่เบียดเบียนทําร้ายคนอื่นใครใครกินอะไรมากก็จะเป็นอย่างนั้น